สลสูตรว่าด้วยเซละพรามเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1250รูปเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตรปชนบทเสด็จถึงอาปนานิคมของชาวอังคุตรปชนบทเกนิยะชดินได้สดับข่าวว่าได้ยินว่า พระสมณาโคโดมสักยะบุตรเสด็จออกพนัวจากสักยะตรกูลกำลังเสด็จจาริกอยู่ในอังคุตราปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 รูปเสด็จไปตามลำดับจนถึงอาปณะนิคมแล้วท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต ระสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสราถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง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 ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วครั้งนั้นเจนนยะชดินผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล่วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเกนิยะชดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาดังนี้ว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปแม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพรามยิ่งนักแม้ครั้งที่สองเกนิยะชดินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราหมก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง1250รูป แม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพราหม์ยิ่งนักแม้ครั้งที่สเกนิยะชดินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึงหนึ่รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราหมณ์ก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหานของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีเมื่อเจนยัจดินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปสู่อาสมของตนแล้วเรียกพวกมิตรคนสนิทและญาสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าได้นิมนต์พระสมณะโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัตฐ า, ารเช้าวันพรุ่งนี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายสละแรงกายช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดชนเหล่านั้นรับคำแล้วบางพวกขุดที่ทําเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างถ้วยโถโอชามบางพวกจัดหาน้าใช้น้ำฉันบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยะดินลงมือตกแต่งโรงปาราพิธีเองทีเดียวเซละพรามได้ฟังคำว่าพุทธ สมัยนั้นเซลพรามอาศัยอยู่ที่ป่าอาปนานิคมเป็นผู้มีความรู้จบไตรเพศ พ, พร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เจตุพศาสตร์อักศราศา ส, าสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยยกรชำนานโลกายาศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนหมนแกมานกจำนวนส0 0้อคนอีกด้วยสมัยนั้น เกนิยชะชดินก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในเซลพรามมากขณะนั้นเซลพรามกำลังเดินพักผ่อนพร้อมทั้งมานบ300อคนติดตามไปห่างๆผ่านไปทางอาสมของเกนิยชะชดินได้เห็นคนบางพวกกำลังขุดที่ทำเตาและถึงบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยชะชดินกำลังลงมือตกแต่งโรงประรำพิธีเองทีเดียว ครั้นเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเกนิยชดินดังนี้ว่าท่านเกนิยะจะมีพิธีอาวาหะามงคลวิวาหะามงคลหรือพิธีบูชามาหาหยันจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมังคต ร, รัชให้เสด็จมาสวยพระกรยาหารพร้อมกับพ้ะราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้หรือเกนิยะชดินบอกว่าข้าแต่ท่านเสละ อาวะหามงคลวิวาหามงคลไม่มีแก่ข้าพเจ้าทั้งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกทรัสข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทูลเชิญเสด็จมาเสวบรกรยาหารพร้อมทั้งข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้เลยแต่พิธีมหาญา์ได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณะโคโดมสากยะบุตรผู้เสด็จออกผนวจากสากยะตรกูลกําลังเสด็จจาริกไปในอังคุตราปาชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จํานวน1250รูปเสด็จมาตามลำดับจนถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระคติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มาฉันพัตหารในเช้าวันพรุ่งนี้เสลพรามถามว่าท่านเกเนยะท่านกล่าวคําว่าพุทธะหรือเกเนยะชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคําว่าพุทธะเสลพรามถามย้ำอีกว่าท่านเกเนยะท่านกล่าวคําว่าพุทธะหรือเกเนยะชดินก็ตอบย้ำว่าท่านเสละ ใช่เขาพเจ้ากล่าวคําว่าพุทธะลาดับนั้นเสลพรามได้คิดว่าว่าตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการในคำภีรมลของพวกเราระบุว่าแม้แต่เสียงประกาศคือคําว่าพุทธะนี้ก็หาได้ยากในโลกซึ่งมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการย่อมมีคติสองประการเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระราชอำนาจแผ่ไปทั่วปัตภีมีมหาสมุทรทั้งสีเป็นขอบเขตทรงชนะฆ่าศึกทั้งภายในและภายนอกมีพระราชอาณาจักรมั่นคงทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนารีแก้วข้าบดีแก้วปรินายกแก้ว พระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันพระองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีพระรูปสงา่างามสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถจะทำลายกองทัพข้าศึกพระองค์ทรงพิชิตชัยโดยคุณธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้ศัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้ซึ่งมีสมุทรสาครเป็นขอบเขตถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะสำเร็จเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเสรพรามถามว่าท่านเกนิยะขณะนี้ท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเสลพรามเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าเมื่อเสรพรามถามอย่างนี้แล้วเกนิยะชดินได้ยกแขนขวาขึ้นได้กล่าวกับเซรพรามดังนี้ว่าท่านเสระ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 ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเป็นส่วนมากเว้นอยู่เพียงสองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือ 1. พระคุยหาฐานที่เร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดาริว่า เซลพรามนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราเป็นส่วนมากเว้นอยู่สองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือ 1. พระคุยห า, านที่เร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่งทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เสลพรามไดเห็นพระคุยห า, านที่เร้นอยู่ในฝัก และทรงแลพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองสลับกันไปมาแล้วทรงย้ายกลับมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองสลับกันแล้วจึงทรงแผ่พระชิวหาปิดบริเวณพระนาลาทั้งหมดเสลพรามกับสิทธิ์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทเสลพรามคิดว่าพระสมณะโคโดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่อง แต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเคยฟังของพรามทั้งหลายผู้สูงวัยเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ต่อๆกันมากล่าวสอนไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสม เมื่อคิดได้ดังนั้นเซลพรามจึงสดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระภักว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้นาทัศนายิ่งนักมีพระชวิวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขียวแก้วขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษ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 พระองค์มีพระวรรณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทําไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่องค์อาศในหมู่พลรถทรงปราบปรามชนะภัยรีทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณี ที่กษัตริย์ราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวากามาตเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสลพรามเราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครใครหมุนไปได้ให้หมุนไปได้เสลพรามกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักให้หมุนไปได้ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประพฤตตามยื่งพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นาศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักที่พระองค์ทรงให้หมุนไปแล้วนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้เสลพราม สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจากที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้หมุนไปแล้วพรามเราได้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญทำที่ควรให้เจริญได้ละทำที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพรามท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิด การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากผู้จะปรากฏหนึ่งๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหม์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรทั้งปวงไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่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 จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะโบในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้มานบเหล่านั้นกล่าวดังนี้หากท่านอาจารย์ประทับใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะโบในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญาประเสริฐพรามสามร้อยคนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้เสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้ดีแล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดการในาศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผล เมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เซละพราหม์พร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วฝ่ายเกณิยชดินครั้นคืนนั้นผ่านไปสั่งให้จัดของขบฉันอย่างประนีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลพัตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราวาศถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกนิยชดินและประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้นเกนิยชดินได้นำของขบชันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสาราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงวางพระหัต เกนนยชะชดินเลือกเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแก่เกนนยชะชดินพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกนนยชะชดินด้วยพระคาถาดังนี้การบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย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 ต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารจะไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียงอุทิกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณระบุ ท, ทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอาหารหันต์จํานวนหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระเสสะพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มจีวรนเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เด็กกราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นสรณะครบ8วันนับจากวันนี้จึงเป็นอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายฝึกฝนตนสําเร็จในศาสนาของพระองค์ใช้เวลาเจดวันเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาเป็นพระมุนีครอบงำงานได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ ทรงข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมูสัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปธิสกิเลได้ทำลายอสศาวะได้แล้วไม่มีอุปาทานและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อหมูเนื้อภิกษุส0 0รอรูปนี้ยืนประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกล้า ขอพระองค์โปรดเหยียดพระยุคลบาทออกมาเถิดขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาเถิดเซลสูรที่เจ็จบ 8. สันละสูตร ว่าด้วยลูกสรนคือกิเลสพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แก่อุบาสุคนหนึ่งผู้โศกเศร้าเพราะบุตรตายด้วยพระคถาดังนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากสั้นนิดเดียวและประกอบด้วยทุกขวิธีที่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มีแม้จะอยู่ไปจนถึงชราก็จะต้องถึงแก่ความตาย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 ย่อมไปสู่อำนาจความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นถูกความตายครอบงำอยู่กำลังจะจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบิดาก็ต้านทานบุตรไว้ไม่ได้หรือหมู่ญาติก็ต้านทานญาติไว้ไม่ได้เมื่อพวกญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่รำพันกันเป็นอันมากอยู่นั่นแหละว่าจงดูสัตว์แต่ละตนแต่ละตนถูกความตายนาไป เหมือนโคถูกนำไปฆ่าฉะนั้นสัตว์โลกถูกความแก่และความตายครอบงำอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดความเป็นจริงของสัตว์โลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปเมื่อไม่เห็นที่สุดทั้งสองนี้ถึงจะคค่้มครวญไปก็ไร้ประโยชน์หากผู้ที่หลงแคล้มครวญเบียดเบียนตนอยู่จะพึงนำประโยชน์อะไรมาได้บ้าง บัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็จะพึงกระทำเช่นนั้นบ้างบุคคลจะได้รับความสงบใจเพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและร่างกายของเขามีแต่จะซี่เสี่วลงผู้ที่เบียดเบียนตนเองย่อมจะสู้ผอมไม่ผ่องใสสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปสู่ปรโลกหาคุ้มครองตนอยู่ด้วยการคล่มครวนนั้นได้ไม่ ฉะนั้นการคร่ำครวญจึงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ผู้ทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วอยู่เสมอบรรเทาความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมได้รับทุกข์มากขึ้นท่านจงดูแม่คนเหล่าอื่นผู้ใกล้จะตายไปตามกรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้ตกอยู่ในอำนาจมจุราชต่างพากันดิ้นรนอยู่ทั้งนั้น อาการใดๆที่สัตว์ทั้งหลายสำคัญหมายอาการนั้นๆย่อมแปรผันเป็นอื่นไปการพลัดพรากจากกันและกันเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำท่านจงพิจารณาดูความเป็นจริงของสัตว์โลกเถิดบุคคลแม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึงร้อยปีหรือเกินไปบ้างก็ตามก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติและต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้แน่นอนเพราะฉะนั้น บุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอาหารหันต์แล้วเห็นคนล่วงลับดับชีวิตไปกำหนดรู้ว่าผู้ล่วงลับดับชีวิตไปนั้นไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้อีกควรกาจัดความแคล้มครวญที่เราชนผู้มีปัญญาฉลาดปราเปลืองควรขจัดความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นโดยฉาพลันเหมือนลมพัดนุ่นปลิวไปเหมือนคนใช้น้าดับไฟที่กาลังไหม้ลุกลามฉะนั้น บุคคลผู้สแสวงหาความสุขแก่ตนควรกำจัดความคค่ําครวนความทยานอยากและโทมนัสของตนควรถอนลูกศรคือกิเลสของตนบุคคลผู้ถอนลูกศรคือกิเลสได้แล้วเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยถึงความสงบใจล่วงพ้นความเศร้าโศกได้ทั้งหมดไม่มีความเศร้าโศกชื่อว่าดับกิเลสได้แล้ว สันละสูที่8ดจบเก้าว่าเศรษฐสูรว่าด้วยว่าเศรษฐมานกทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าอิชานังคละใกล้หมู่บ้านอิชานังคละสมัยนั้นพระมหาสารมีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากคือจังกีพราหมณ์ตารุขพราหมณ์โปกระสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหม์โตเทียพราหมณ์และพราหมหาสารมีชื่อเสียงอื่นๆ อ, อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอิชานังคละครั้งนั้น ว่าเศรษมามนพและพารัทวชาชมานพกำลังเดินเล่นพักพรระหว่างนั้นได้สนทนาถึงข้อความนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยบุคคลชื่อว่าพราหมณ์โดยวิธีอย่างไรพารัทวชาชมานบกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยบุคคลที่เกิดมาดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาตรกูลเพื่อนเอย๋ยเพราะเหตุดังกล่าวมานี้บุคคลนั้นจึงชื่อว่าพราหมณ์วาเศรษฐมานบกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยบุคคลเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดเพราะเหตุดังกล่าวมานี้จึงชื่อว่าพราหมณ์พารัตวชะชมานบไม่สามารถให้วาเศรฐมานบยอมรับเหตุผลของตนได้ ฝ่ายวาเสถามานบก็ไม่สามารถให้พารัวาชะมานบยอมรับเหตุผลของตนได้เช่นกันลำดับนั้นว่าเสถามานบเรียกล่าวเชิงปรึกษากับพารัวาชะมานบว่าพารัวาชะเพื่อนรักพระสมณโคโดมสักยะบุตรพระองค์นี้เสด็จออกผนวจากสักยะตรกูลประทับอยู่ที่ราวปาอิฉานังคละใกล้หมู่บ้านอิฉานังคละก็ท่านพระโคโดมนั้น มีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพารัธวะชะเพื่อนรักเราทั้งสองก็ไปเฝ้าพระสมณโคโดมหน้าที่ประทับกันเถิดแล้วเราจะทูลถามถึงเรื่องนี้กับพระองค์จะได้จดจำข้อความที่พระองค์ทรงพยากรณ์แก่เราพารัธวาชะมานพ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 ข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้ได้รับการยกย่องและรับรองจากอาจารย์ว่าเป็นผู้ได้ศึกษาจบไตรเพศข้าพระองค์เป็นหัวหน้าศึ์ของโปกระสาติพราหมณ์ส่วนพารัตวาชมานพนี้เป็นหัวหน้าศึ์ของตารุขพราหมณ์ข้าพระองค์ทั้งสองศึกษาจบไตรเพศตามที่อาจารย์ผู้แตกฉานอบรมสั่งสอนเป็นผู้เข้าใจตัวบทชำนาญวยากรณ์ในพระเวทเทียบเท่าอาจารย์ ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทั้งสองนั้นเกิดโตเถียงกันในเรื่องเหตุที่ทำให้บุคคลเป็นพรามพระรัตวาชามานบกล่าวว่าบุคคลเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดส่วนข้าพระองค์กล่าวว่าบุคคลเป็นพรามเพราะกรรมข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ จึงพากันมาทูลถามพระองค์ผู้ทรงปรากฏพระนามว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ทั้งสองประนมมือถวายนมำสการพระองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเหมือนชนทั้งหลายประนมมือน้อมไหว้พระจันทร์วันเพ็ญโดยทั่วถึงกันข้าพระองค์ทั้งสองขอทูลถามพระโคดมผู้มีพระจักสุผู้เสด็จอุบัติดีแล้วในโลกว่า บุคคลเป็นพราหมณเพราะชาติกําเนิดหรือเพราะกรรมหนอขอพระองค์โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ทั้งสองผู้ไม่รู้ให้รู้จักพรามที่แท้จริงด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ว่าเศรษฐะเราจะพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายตามลำดับความเหมาะสมแก่เธอเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีชาติกําเนิดแตกต่างกันหลายเผ่าพันธุ์ เธอทั้งหลายย่อมรู้จักหญ้าและต้นไม้แต่หญ้าและต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นหญ้าเป็นต้นไม้หญ้าและต้นไม้นั้นมีสันฐานสำเร็จมาแต่กำเนิดเพราะธรรมชาติของมันต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักมแมลงตั๊กะแตนตลอดจนถึงมดดำมดแดงสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันธานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกัน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 และสัตว์น้ำประเภทอื่นที่เกิดทเที่ยวหากินอยู่ในน้ำสัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกาเนิดเพราะกาเนิดของสัตว์เหล่าน like> ั้นต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์ปีกที่บินไปในอากาศสัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกาเนิดเพราะกาเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันในหมู่มนุษย์ไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันไปตามกาเนิดมากมาย เหมือนกำเนิดของสัตว์เหล่านี้เลยคือไม่มีการกำหนดว่าเป็นพรามเป็นกระสัเป็นต้นด้วยผมสีสะใบหูในตาใบหน้าจมูกริมฝีปากคิ้วคอบ่าท้องหลังสโพกอกโซกอวัยวะอวัยวะสื่อพันธ์มือเท้านิ้วมือเล็บแข้งขาอ่อน ผิวพันธุ์หรือเสียงในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันตามกําเนิดมากมายเหมือนในกําเนิดอื่นๆเลยในหมู่มนุษย์ไม่มีลักษณะเฉพาะตัวในเิริระของแต่ละคนและในหมู่มนุษย์การเรียกชื่อต่างกันว่าพราหม์กษัตริย์เป็นต้นท่านบัญญัติเรียกเพียงโวหารในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัย โ, โค ร, รคกรรมเลี้ยงชีพวาเสฐะ เธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าชาวนาไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการช่างฝีมืออันเป็นศิลปะต่างๆวาเสตทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าช่างศิลป์ไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพวาเสตทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเรียกว่าพ่อค้าไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นวาเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าคนรับใช้ไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการลักทรัพย์ผู้อื่นเลี้ยงชีพวาเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเรียกว่าโจนไม่เรียกว่าพรามในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยลูกศรและศัตราเลี้ยงชีพวาเสธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าทหารอาชีพไม่เรียกว่าพรามในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการเป็นปุโรหิตวาเสธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่า ผู้เป็นที่เคารพ บ, บูชาไม่เรียกว่าพรามในหมู่มนุษย์ใครก็ตามปกครองท้องถิ่นและแว่นแคว้นว่าเษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าพระราชาไม่เรียกว่าพรามผู้ถือกำเนิดจากมานดาที่เป็นพรามเราไม่เรียกว่าพรามเขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเขายังมีกิเลสเคลื่องกังวล แต่เราเรียกผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ถือมั่นเท่านั้นว่าพรามผู้ตัดสังโยศได้หมดสิ้นไม่สะดุง้งผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามผู้ตัดชะนะเชือกหนังและเงื่อนพร้อมทั้งสายรัดได้ถอดลิ่มสลักเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราม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 เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ใดในธรรมวินัยนี้รู้ชัดความสิ้นทุกข์ของตนปรงภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นนักปราชญฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพราม ผู้ไม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือขเรหัดและบรรพชิตไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาสดสะดุ้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบ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 ผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่งามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ใดไม่มีความหวังในโลกนี้และโลกหน้าปราศจากความหวังปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ใดไม่มีความอาลัยหมดความสงสัยเพราะรู้ชัด อย่างลงสู่อ ม, มะตะบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปทั้งสองได้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องได้ไม่เศร้าหมองปราศจากกิเลส ด, ดุทุลีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าพราหมผู้บริสุทธิ์ดุจจันแจมมีจิตผ่องใสไม่ขุนมัวเป็นผู้สิ้นความจินดีในภพเราเรียกว่าพราม ผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อมทางลมสงสารและโมหะได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งแล้วเจริญฌานไม่วันไหวหมดความสงสัยดับเย็นเพราะไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ละกามได้แล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้เด็ดขาด ออกบวชเป็นบันปะชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและพบเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าพรามผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปาิกิเลสครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้แกล้า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 ผู้ใดระลึกอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์อันที่จริงชื่อและโค้ที่เขากำหนดให้กันนั้นเป็นเพียงสมมติบัญญัติในโลกชื่อและโคตรปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมาญาสาโลหิตกำหนดไว้ในการเกิดนั้นๆชื่อและโค้ทที่กำหนดเรียกกันนี้ เป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจมานานของคนผู้มีรู้ความจริงเมื่อไม่รู้จึงกล่าวว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้แต่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะกรรมบุคคลชื่อว่าเป็นชาวนาเพราะกรรม ชื่อว่าเป็นช่างศิล์เป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมชื่อว่าเป็นโจรเป็นทหารอาชีพเป็นปูโรหิตแม้กระทั่งเป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้นบัณฑิตผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมูสัตว์เป็นไปตามกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกา ร, รเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถที่แล่นไปมีหมดเป็นเครื่องตรึงไว้ฉะนั้นบุคคลจะเป็นพรามณ์ก็เพราะกรรมอันประเสริฐนี้คือตบะพรหมจันทร์สัญญะมะธรรมะกรรมอันประเสริฐนี้นำความเป็นพราหมณ์ที่สูงสุดมาให้บุคคลสมบูรณ์ด้วยวิชาสามมีความสงบสิ้นภพใหม่แล้ววาเสษฐะเธอจงรู้อย่างนี้ว่า บุคคลนั้นเป็นทั้งพรหมและเท้าสักกะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วว่าเสตมานกและพาละวาชะมานพเรียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจําพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ